ตอนนี้ผมเอาควมจริงมาพูดที่ผมดูหนังสือธรรมวิจารณ์เป็นคู่มือหลักนักธรรมท่านเอกผู้ที่ศึกษาเล่าเรียนและปฏิบัติให้ถูกต้องไม่ศึกษาเล่าเรียนอะไรให้มากท่านสอนให้เจริญสติให้เกาะกันเหมือนลุกโซอย่างถูกต้องซะด้วยอย่างนานเจ็ดปีอย่างกลางเจ็ดเดือนอย่างเร็วที่สุดนับตั้งแต่หนึ่งวันถึงสิบห้าวันหรือเจ็ดวัน มีอเนกสงสองประการหนึ่งเป็นพระอรหันต์สองเป็นพระมหากามีไว้อย่างนั้นอันนั้นตำราพูดใครเป็นคนรับรองตาํารายกมือก็ได้รับรองตําราจริงหรือหรือท่านรับรองคําพูดของท่านน่ต้องเอาอย่างนี้อีกด้วยนะ<อ>ผมคนหนึ่งรับรองตาํารายกมือก็ได้ผมยกมือคนเดียวก็ได้มันมีคนผมรับรองตาํารารับรองคําพูดของผมอีกด้วยทีนี้มผมรับรองอย่างนี้ ถ้าหักศึกษาวิปัฒนาอย่างถูกต้องแล้วอย่างนานสามปีให้เจริญสติอย่างถูกต้องอย่างกลางให้เวลาหนึ่งปีสามร้อยหกสิบห้าวันอย่างเร็วที่สุดนับตั้งแต่หนึ่งวันถึงเก้าสิบวันอา น, นิสงไม่ต้องพูดพุกจะหมดไปผมเข้าใจอย่างนี้ดังนั้นผมจะรับรองคําสอนของพระเยกือคนเดียวพุกหมดได้จริงอั น, นิสปัญญา ของพระพุทธเจ้าถ้าหากปัญญาเราแก้ทุกข์ไม่ได้อันนั้นยังไม่ถูกต้องหลักพุทธศาสนาเรื่องนี้ดังนั้นศีลธรรมก็ตามสมถธกรมมฐานก็ตามวิปัสสนาก็ตามวิปัสสนาแปลว่าเห็นแจ้งรู้จริงต่างเก่าล่วงภาวะเดิมมาอ่างนั้นอวิปัสสนานี่อันที่ยกมือเหล่านี้ไม่ใช่เป็นวิปัสสนาอันเนี้ยเป็นวิธีการให้เจริญสติดูลมหายใจเป็นวิธีการให้ใ ห, ให้เจริญสติ พุโทโเป็นวิธีการให้เจริญสติอันนั้นไม่ยุ่งมายุ่งเรื่องสมาธิแบบนี้สมาธิแบบที่พระพุทธเจ้าสอนท่านไม่ได้สอนสมาธิแบบนี้แต่สมาธิอันนั้นมันมีมาก่อนพระพุทธเจ้าสมาธิแบบที่เป็นนั่งอย่างนี้ผมทำมาตั้งแต่อายุสิบอดปีจนถึงอายุยี่สิกว่าปีผมมาทำพองยุกในวีลาแปดปีอานาปานสติไม่ต้องพูด พุทโธก็ตามสัมมา阿拉หังก็ตามของยุบก็ต้องเกี่ยวข้องเรื่องอนาปานัสติทั้งนั้นดีแล้วที่เราทํานั้นไหมมันใช่ว่าไม่ดีมันดีแล้วดีเพราะอะไรดีเพราะความสงบคําว่าความสงบนั้นท่านพูดว่าย่างไงเขาเรียก ว, ว่าบุญบุญแปล้วความสงบตอนเป็นางพุทโธทำโมอ阿拉หังของยุบดีมีครูทั้งนั้นแต่ครูอันนั้นเรียก ว, ว่ารู้จํารู้จักยังไม่รู้แจ้งยังไม่รู้จริงรับรองคําสอนของพระเจ้าไม่ได้ ตอนรู้แจ้งรู้จริงผมรับรองคำสอนของพระพิจ้าได้ร0อยเปอร์เซ็นถ้ามีสองร้อยผมรับรองสองร้อเป็นจริงๆเรื่องนี้เรื่องทานนั้นไม่ต้องพูดทานแต่ว่ารู้แต่ว่าเห็นแจ้งแต่ว่ารู้จริงรู้อะไรขั้งแรกที่สุดคือรู้ตัวเรารู้ตัวเราจริงๆอันนี้รู้เรื่องนี้คือเราไม่สงสัยลังเลเรื่องถีเทวดาเรื่องสมมติรู้ให้หมดทีเดียว ที่แรกเรื่องตันรู้ตัวนี้แ ล, ะะล้วเจริญสติให้ติดตามความเคลื่อนไหวในอี้กับบุไดก็ตามจะมาลูความคิดเป็นรั้งที่สองเมื่อรู้ควมคิดเห็นต้นตอของควมคิดมันเกิดขึ้นรู้เท่ารู้ทันรู้จักกันรู้จักแก้รู้จกกัจ ก, ก, จกสมุฐานของมันจริงจริงทเหมือนแนวกับหนูรับลองได้ โทษะโมหะโลภะจกักเกิดขึ้นไม่ได้นี่อย่างนี้ขั้งที่สามรู้ต้นเหตุของควมยึดถือเมื่อเรารู้ต้นเหตุของควมยึดถือเรื่องกิเลสกันหาอุปทานไม่ต้องพูดก็ได้เมื่อเราจะมมีสมาธิดีๆแล้วความสงบไม่ต้องพูดก็ได้นี่เรื่องปัญญาของพุทธศาสนา รับรองได้นะพูดนี่ อ, าอ้าวใครกล้ายกมือขึ้นไม่เกินสามปีแม่ยอมเสียสละทัพเพราะรักษาอาวัยวะเสียกระละอวัยวะพระรักษาชีวิตแม่ยอมเสียกระทั่งชีวิตเพราะรักษาสัจธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆเรื่องนี้จริงๆมีวิธีที่จะเอา ม, ามันแนะนําให้คนรู้ทุกได้จริงๆสําเร็จแต่ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้า ไม่ได้เป็นผ้าโสดาผ้าสักีทาคาผ้านาคาผ้าหลาังอะไรไม่ต้องเป็นแต่เพียงจะไม่มีทุกข์เมื่อเรามีสติมีสมาธิแล้วไม่ต้องเกี่ยวข้องกับเป็นนั่งอะไรนั่งก็ได้นอนก็ได้เดินไปไหนมาไหนก็ได้ทำสมาธิแต่ว่าตั้งใจไม่ต้องเกี่ยวข้องกับลมหายใจก็ได้อย่าพึ่งมาผมโกหกอนาปานสตินะพนู้จะไม่จะกล่าวหาว่าเอ๊ะทําแล้วโกหก โกหกก็จําเป็นต้อพูดอานาปานาาสติเคยโกหกใครอยากจะหาว่าผมขัดขวงไม่ใช่ขัดขวงไม่ใช่ขัดข้องทําไ ป, ปได้ไปไหนก็จะหาว่าผมโกหกก็ได้เพราะว่าผมไม่เกี่ยวข้องกับอานาปานาาสติเพราะผมทํามาแล้วดูลมหายใจลมหายใจโกวคนเป็นไหมไม่โกวแต่ลมหายใจมันไม่ใช่โกวคนตัวมันโกวคืออะไรตัวความคิดความคิดโกวคนเป็นไหมไม่เกี่ยวข้องกับความคิดอีกแล้วนี่ยมันมีความคิดสักนิดดึงเกิดขึ้นวูบ เราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นมันผมคิดอันนี้ดังนั้นผมได้ยินตําลาอันนี้ตําลาพูดตําลาเนี่ยครูบาอาจารย์สอนโยจัวัจตังสิเรอปัสสังอุทยพยังเอกาหังสีวิตังสเสยโยปัตตตุอุทยพยังท่านสอนอั น, นเรียนอั น, นอันนี้แต่ว่ารู้จักรู้จักพูดเพว่าคนบวชมาร้อยพรรษาไม่ใช่ 10, สิบพรรษาไม่ใช่ยีส่สนะิบพรรษาหน้าร้อยพรรษาท่านไว้ ถ้าหากไม่เห็นอาการเกิดดับนั้นการบวชของบุคคลนั้นเป็ น, ม น, ปนหมันกันว่ายังไงบัดนี้บุคคลคนนี่แหละที่มาบวชวันนี้นี่แหละรู้จักสมุติฐานอาการเกิดดับดีกว่ามีประโยชน์กว่าบุคคลที่บวชมาหลายพรรษาท่านว่ายังไบัด น, นี้ทางฝ่ายไม่ได้บวชนี้คนเกิดมามีอายุปเป็นอยู่ร้อยปีถ้าหากไม่เห็นอาการเกิดดับกันนี้ชีวิตของคนนั้นก็เป็นหมัน ชีวิตของคนนั้นไม่มีประโยชน์อะไรเลยแต่คนเกิดมาเพียงวันเดียวรู้เห็นเข้าใจอาการเกิดดับในภาวะอันนั้นดีกว่ามีประโยชน์กว่าบุคคลที่เกิดมาลอยปีว่าจันอันนี้ก็เราเข้าใจกันผมไปฟังอาจารย์หลายสำนักแต่เมื่อผมบวชมาปีปีที่สามผมขอหนังสือธรรมทูตไม่ใช่ธรรมทูตหนังสือทู ด, ดงไปทู ด, ดงกับเจ้าคณะจังวันเลย ท่านบอกว่าให้ไปได้เทียงภาคใต้ภาคกลางภาคอีสานภาคเหนือไม่ให้ไปท่านท่านทำไมไม่ให้ไปผมก็ไปภาคอีสานภาคกลางภาคใต้ผมไปไปฟังอาจารย์สอนกรรมาฐานผมก็ยอมเป็นศิษย์ผม้าไปที่ไหนผมเป็นศิษย์ทั้งนั้นก็ดีทั้งนั้นเพราะผมได้ผมรู้คำว่าสัตว์ในที่นี้หมายถึงสัจจและของจริงคือธรรมะที่จะทําให้คนค้นระจักความทุกได้ทุกคน ผมเข้าใจผลนี้ดังนั้นคนอยู่นี่ทุกคนมีแล้วดังนั้นการตัดสินุ้ยรู้ทำที่จะทําให้พระเจ้าเป็นพระอรหันต์นั้นมีก่อนแล้วมีคนของพระเจ้าแล้วคันธามีคนแล้วก็มีในคนทุกคนที่ไม่จะไปงมงายกันให้มันมากมายหลายเรื่องก็เรางมกันอยู่ยที่เราเราคาพูดเราไปงมกันตามตัวหนังสือเราก็เลยไม่ได้มาศึกษา ข, ของจริงเมื่อเราไม่ศึกษาของจริง เัาก็เลยสนธน า, ากันทั้งวันทั้งคืนก็ดีเหมือนกันฝนรู้เมันกวงขวังดีนี่พระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องนี้ทุกคนที่อยู่ที่นี่ผูท้ที่บวชคงจะเคยได้ยินเรื่องนี้เว้นแต่คนที่ไม่ได้บวชนะบวชแล้วบางคนไม่สนใจเขาไม่รู้ <c oughs> ผมได้ยินครูบาเราให้ฟังอันนี้ไม่ครพ่อเราให้ฟังอาจารย์เราให้ฟังว่ามีพิกษสูตรจนวนหนึ่งเดินไปกับพระพุทธเจ้าจะไปเมืองอะไรผมก็ไม่ทราบตอนนี้คนจาไม่ได้ พระพุทธเจ้าเอามือล่วงลมกัมมาไปแห้งเป็นกัมมือเดียวขึ้นมาแล้ภิกษุจํานวนเทตามไปพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าถามว่าใบไม้มในกัมมือของเรายวนี้กับใบไม้ในป่าอันไรจะมากน้อยเท่ากันภิกษุทั้งหลายภิกษุจํานวนนั้นกลับตอบพระพุทธเจ้าว่าใบไม้ในป่ามีมากใบไม้ในกัมมือของพรัฒถาคตมีดิดเดียวไม่สามารถที่จะมาเปรียบเทียบกันได้ ทิศตัวจำนวนั้นต่อบัดนี้พระพุทธเจ้าก็เลยตอบบอกว่าธรรมะที่เรารู้มานั้นที่เราศึกษามานั้นมีมากเหมือนกับไปไม้ในป่าแต่คําสอนที่จะนมาสอนพวกเธอนั่นเนี่ยเท้ากับใบไม้แห้งกับมือเดียวแค่นี้คือสอนเรื่องทุกข์เท่านั้นเรื่อง ท, ทุกข์แก้ทุกข์ดับ ท, ทุกข์ให้ได้เรื่องสวรรค์ไม่ผ่า น, นอย่าไปสงสัยตายแม่รูเกิดจะไปสงสัยพระพุทธเจ้าไม่ได้พยากรเรื่องนี้จริงๆเรื่องนี้ แต่คนเรามาันไปสนธนากขาเรื่องตายแล้วเกิดไหมเป็น <c oughs> อย่างนั้นบุญคืออะไรผีมีไหมไม่นไปสนใจกันเรื่องนั้นแต่เรื่องทุกข์ไม่เคยสนใจเลยผมรู้เรื่องทุกข์นี้เมื่อผมอายุสี่สิบหกปีผมรู้จริงๆรับรองได้ผมยอมเสียสละชีวิตจริงๆขอให้ผมได้พูดผมจริงสิงก็พอใจละพอใจเป็นกิเลสนะเป็นกีเลสเขาจําเป็น ดันั้นผมวันนี้ก็มีสามสามพวกมาผมแต่ผมไม่ได้มาทางนี้ผมนั่งทางตรงก็เหมือนกับพวกที่ท่านมานั่งทางนี้ก็เหมือนกันแต่ผมนอนบ้างนั่งบ้างผมพยายามปิดไม่ให้คนเข้าไปหาก็ยังมีคนรอดไปจนได้เพราะคนสนใจเขาต้องแสวงหาเครื่องดับฟุ้งดังนั้นเรื่องกรรมฐานี่จะมีมากที่ผมฟังวันนี้ก็มีคนมาสนทนากันเรื่องปัญญาเอา ปัญญาทําไมมีปัญญาสระดับจุตากมญยะปัญญาจินตากมญยะปัญญาภาวนามญยะปัญญาก็คําพูดเนี่ยคําพูดแต่สุดตากมายะปัญญาตามตัวหนังสือว่าการศึกษาเราเรียนจากครูบาอาจารย์จินตามายะปัญญาแปลว่าการนึกการคิดพิจารณาให้เห็นแจ้งชัดภาวนามายะปัญญาตนี้อาศัยการเจริญสจิตให้เกิดปัญญาอย่าง หรืออย่างปัญญาขึ้นมานนั้นตัวหนังสือพูดอนีะผมไม่รับรองอันนี้นแต่ผมรับรองรับรองคําพูดของพระเจ้าชื่อคําพูดคํานี้ผมไม่รับรองการเจริญพลิกมือขึ้นก้วมือลงยกมือไปเอามือมาเดินหน้าถอยหลังเอียงซ้ายเอียองขวาก้มเลยพิษตาอ้าปากหายใจเข้าหายใจออกคือ น, น้ําลายผ่านไปในลำคอนี้อันนี้คนอื่นมองเห็นให้เรามีสติควบคุมรู้อันนี้ให้ได้รับรองรู้จริงๆ ส่วนที่มองไม่เห็นคือจิตใจมันนึกมันคิดจิตใจมันนึกมันคิดคือเราไม่สามารถที่จะมองเห็นด้วยตาจับไม่ถูกด้วยมือคนอื่นมองเห็นให้เราไม่ได้เราจะเห็นได้เฉพาะตัวเราจริงๆเรื่องนี้แต่คนมีปัญญามองใจแล้วเดี๋ยวนี้คนไม่มีปัญญาก็เป็นธรรมดาเรียกว่าข้าวผีเอาข้าวผีดังนั้นเราทํานาบ้านผมบ้านผมทํานาผมเคยเป็นเด็กทํานากับพ่อผม เวลาทํางานแล้วก็เอาข้าวเกาะกันมาแล้วมาฟาดมาตีเป็นกุ้มข้าวข้าวลียบฟางปัดก็ให้หมดแต่มากไม่มากยากปัดก็ให้หมดเอาจะเข้าวอ้วนๆเต็มเวลาจะกลับบ้านเอาข้าวลียบนั่นแหละขาไม่มีไนนั่นแหละแล้วก็ขยะนั่นไสหลางไปเพราะว่าเอาล้อเอาเกียงทําเป็นเกียรเป็นลอเอาไปให้ผีให้ผีเสื้อนานผีตูดบนาเนี่ยสามล้อสี่ล้อสามเกียรสี่เกียรแล้วเอาข้าวข้าเอาอ้วนข้าเต็มนมีใหม่บ้าน คนเราทุกวันนี้ชอบเอาข้าวผีไว้ข้าวมีวิตามินจริงๆไม่ค่อยเอามากินกันยังนั้นคนจึงเป็นโรคระบาดไม่มีวิตามินเดียวก็ไปหาหมอให้ยาวิตามินอันนี้ก็เราก็เป็นหมอในวันนี้เป็นหมอจะเอายาให้พวกคนที่ป่วยป่วยหนักๆกินต้องหาวิตามินเยาข้าวผีไปให้กินข้าวผีสู้ข้าวเจ้าข้าวเหนียว ที่มันอุ้วนๆเต็มเม็ดเดียวไม่ได้จริงๆเข้ารีบเป็มยิ้มเต็มสางเอาข้าว เ, า เ, า เ, าเหนียวเข้าเจ้าไม่ไปอ้วนเต็ ม, มเต็มเลยไปแลกออกผมไม่เอาเอามาให้จักรร้อยจักพันจักล้านจักแสนเท่าไหร่ผมก็ไม่เอาผมจะเอาเข้าวมีใไงเพียงเม็ดเดียวก็พอแล้วเดี๋ยวนี้เราสงวนกันเรื่องข้าวไม่มีไหนมันก็เลยไม่ได้กินข้าววิตามินจริงๆเรื่องนี้อันนี้แหละที่ว่าตัวนึกตัวคิดนี่ อันนี้เรียกพักที่สองเห็นแล้วเข้าใจความโก้ความโลภความหลงจะหายหน้าแยกไปทีเดียวให้ทําเหมือนแมวกับหนูคำพูดของผมหนูมาแม่ไมนจับอย่างแรงพ่อเปรียบเทียบอีกบทหนึ่งเมื่อเรารู้แล้วคมคิดมันเร็วเตียยเหมือนกับน้ำบ่อคุดลงไปถุงน้ำเราต้องเอาขันวิทย์น้ำออกวิทย์แต่คือความคิดอันนี้นะมันยิ่งคิดเรายิ่งตั ตัดความคิดคิดดีก็ช่างคิดชัวว่วก็ตามเราตักน้ําเท่มตักน้ําที่ธรรมดานา้ํ า, า, าอยู่ข้างในมันใสแฉลบออกมาแต่ความคิดอยู่ข้างนอกกเหมือนกับต้มกับเลนตัดมาไม่ทันมีคนใดมาพูดให้มันมันเราไม่เห็นต้นต่อของความคิดมันก็เลยไม่พอใจทุกแล้วนะหมายถึงว่าการให้ตักน้ําก็หมายถึงการให้ตัดความคิดดีก็ช่างคิดชัวว่วก็ตามตัดความคิดตัดความคิดเร็วๆเราจาัดกรณีตำนานกับความคิดอันนั้น อันนี้เป็นวิธีอันหนึ่งบัด น, นีคนไปถามผมเอ๊ะผมทกมากรรมฐานทำไมมันฟุ้งซ่านผมก็เลยบอกมันฟุ้งซ่านมันดีแล้วผมบอกอย่างนั้นทำไมว่าดีธรรมดาจะเป็นนักหมยเป็นเซมเตี้ยนซกคนเดียวเป็นไหมซกไม่เป็นมือคู่ต่อสู้ต้องซกได้ถ้ามันีคู่ต่อสู้สสจะซกกับกกับผีมันซกไม่ได้ดังนั้นถ้าเราไม่สู้กับคุวคิดตัวนี้เราไม่มีวันไม่มีเวลาจะเอาชนะคมคิดอันนี้ได้ อันนี้เป็นวิธีเป็นนักมวยเป็นเซมเปี้ยนเมื่อมันคิดเข้ามาเราก็พยายามซกตัดตัดกับซกเป็นเดียวกันตัดออกตัดออกตัดต่อไเรื่อยไปทีนี้เราสู้ไปไม่ได้บางครั้งบางคราวมันถูกอลูมิเนียมหนูดึงไปลากไปเอาแพ้มันก็จําเป็นเที่ยวหลังกูต้องซกมืออันนี้หรอเป็นวิธีเป็นนักมวยขึ้นในเวทีต้องซกความโกรธั้องใช้พูดให้มานั้นอ้าวมันจะโกรธแล้วมันเห็นว่ามันต้องซกอันที่นอกเข่าก็ได้เนี่ยอันนี้เป็นวิธีที่เราเป็นนักมวย น้ำแข็งมันเป็นขอนบอลลูนกินเข้าไปแล้วมันร้อนอท้องทีแรกกินเข้าไปมันเย็นในขณะที่ไปนั่งสงบสบายใจออกจากนั่งคนสงบมาแล้ววูบวาบขึ้นมามีความสงสัยลังเลบางคนมีคนมาตำหนิวูบวาบไม่พอใจอันนั้นน้าน้ําแข็งมันร้อนละอุขึ้นมาแล้วดังนั้นการทําก็สงบนั่นมันไม่ได้เป็นธรรมชาติของคนสงบเหมือนกับน้ําแข็งเป็นข้อนบอลลูนบักใหญ่ อาไปตากแดดตากลมวันลมพัดน้ำแข็ก็ละลายเป็นน้ำเหมือนเดิมทำจนตายความสงบไม่มีผมรับรองได้ร้อยเปอร์เ็นต์พันผมรับรองได้จริ ง, รงๆเรื่องนี้ผมกล้าเนี่ยนี่แหละเขาว่าคนมีดีแล้วมาพูดให้ฟังไม่ใช่คนอวดดีอันนี้คนมีดีแล้วมาบอให้ฟังามาเล่าให้ฟังบุคคลผู้สนใจทําตัวเป็นไม่เข้าอุ้นอ้วนไม่เข้าตึงตึงเนี่ยเอาไปเข้าโรงงานโล่งสีบรรขัดเข้ามาเป็นข้าวทีหนึ่ง ไปบรรจุในกระสอบขายราคาก็ดีกินก็มีรถถ้าคนใดฟังแล้วไม่รู้เรื่องก็ลถลงมาเป็นข้าวที่สองฟังไม่รู้เรื่องเป็นข้าวที่สามฟังไม่รู้เรื่องเป็นข้าวายฟังยิ่งไม่รู้เรื่องเป็นลำเป็นแกบเป็นข้าวหีนี่เป็นอย่างนั้นนี่แหละพวกเราฟังเทศฟังธรรมกันฟังแล้วให้รู้เรื่องนี่ผมเปรียบเทียบให้คนไปทำกมสงบเหมือนกับกินน้ำแข็ง มันมใช่กินน้ำลึกมันไม่ใช่ว่ากินน้ำธรรมดากินเนี้ยเป็นพิษเป็นอย่างนั้นในอีกบทหนึ่งผมเคยพูดเอาไว้เข้าไปในถ้ตามปกติเราอยู่ที่มืดเอาไฟมาข้างหน้าความืดมาข้างหลังเอาไฟมาข้างหลังควมืดไปข้างหน้า เราอยู่กับควมรู้ควมรู้ที่เราจํามาจากครูบาอาจารย์จํามาจากตำหนักตานานถึงจะสว่างเท่าไใดก็เรายังอยู่กลมมืดผมเข้าใจอย่างนั้นคําพูดผมผมเป็นอย่างนั้นนะผมแสกคําพูดผมอยากคนเข้าไปในถ้าจุดไฟแล้วก็สว่างไฟหมดแล้วก็มืด อ, อยู่ที่มืดตามเดิมคนนั้นไม่มีโอกาสไม่มีเวลาจริงจริงเรื่องนี้ เธอจะมันสุตะมญญปรรัญญาจินตะมัญญปัญญาภาวนามัญญาัญญาคนดีแต่ผมไม่ได้ปฏิเสธว่าคนนั้นคนนี้ผมเปรียบเทียบคําพูดของผมเองเรื่องนี้ดังนั้นการจเจริญปัญนาจึงเป็นเรื่องสบายที่สุดท่ารู้แล้วเพียงเราไปไหนมาไหนดูความคิดเดี๋ยวนี้ทุกคนคนโกรธไม่มีมโกรไม่มีอันนี้เรียกว่าเป็นปกติมันคิดเจ็บแค่เจ็บขาจิตใจมันพู่เข้าไปผิดปกติแล้วนั่น เมื่อมันคิดโกรธขึ้นมาผิดปกติแล้วหนึ่งดังนั้นมีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นมีแต่ทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่มีแต่ทุกข์เท่านั้นดับไปอันนี้ผมยืนคําพูดของพ่อแม่ปูย่ย่าตายายครูบาอาจารย์มาไล่ฟังผมเลยพูดอย่างนี้มืดสีขาวกับมืดสีดำํำมืดสีขาวคือเราผิดปกติข้างดีใจมืดสีดําคือเราผิดปกติข้างเสียใจคําว่าเสียใจนั่นไปแล้วมันตายไปแล้ว ค้ามาเสียใจไปว่าตายไปแล้วของหลุดมือไปแล้วเอาคืนมาไม่ได้ไเข้าใจอย่างนี้ดังนั้นคนที่รู้อยู่ในคำจำนั้นถึงจะสว่างขนาดไหนก็รู้แค่นั้นแหละดังนั้นวิปัตนาจะเป็นการรู้แจ้งรู้จริงรู้จริงรจริงและไม่เกี่ยวข้องกับสมหนักาก็ได้แต่ยังไงก็ตามจำเป็นต้องอาศัยรู้จาดังนั้นการทาบุญจื้อ ถ้าหากไม่รู้บุญแล้วเอาบุญจนตายไม่ได้บุญเลยบุญแปลว่าอะไรบุญแปลว่าทำความสงบผมเข้าใจอย่างนี้ผมคนหนึ่งเคยทําบุญแต่ผมไม่เคยรู้จักบุญทําบุญกระถินบวดหดทําถนนหนทางผมทํามาทานั้นเอาเงินไปล่อเป็นพระพุทธรูปผมทำทานั้นผมอยากได้บุญแต่ผมไม่รู้จักบุญเมื่อตายแล้วจึงจะเอาบุญนี่มันเป็นอย่างนั้นผมไม่เข้าใจแบบนี้ผมเข้าใจ ใครจะว่ายัางไงก็เฉยได้เพราะเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราดังนั้นคนสลาบจึงมีน้อยคนโง่จึงมีมากฉันสอนอย่างนี้คนโง่เนี่ยพูดแล้วไม่รู้เรื่องคนสลาดแล้วพูดแล้วรู้เรื่องคําว่าบุญเป้ยข่มสงบสงบไหมก็เราไม่มีความโกรธไม่มีความโลภไม่มีความหลงอยู่แล้วเนี่ยคนดีโอ้บุญแป้ยข่มสงบโอ้ข่มสงบมันมีอยู่แล้วที่เราไปทําให้มันไม่สงบ ก, กันเป็นบาปแล้วนะเพราะเรื่องอะไรเพราะมืด มืดเพราะเรื่องเนยะเพราะเราไม่รู้จักความสงบนั่นเองเนี่ยให้เข้าใจอย่างนี้ก็เราไปทําให้มันสงบความสงบแบบนั้นเรียกว่าสงบแบบน้ําแข็งเอาวิทยาวิท ย, ยาศาสตร์ไปทํามันก็ไม่ได้นานอันนั้นความสงบแบบน้ําแข็งอันนั้นเรียกว่าบุญทำแล้วก็สบายใจพักเดียวเัร็เรื่องการทําถนนหนทางสร้างโบสถ์สร้างศิมสร้างศลาการประชุนั้นเป็นการทําดีเป็นการอนุเคราะห์สงเคราะ์ซึ่งกันและกัน ยังไม่เกี่ยวข้องเรื่องนี้ดังนั้นท่านผู้ฟังทั้งหลายให้เราเจริญจริงๆรนับรองได้ถ้าทำจริงจริงเอาสามปีแล้วผมยอมเสียตลาที่ิธจริงจริงยอมเสียจริงๆถ้าหากไม่รู้จริงๆอ่ะอันนี้พูดมาถึงตอนนี้ก็เลยจะมาพูดลวบลัดตัดใจผมให้มันสั้นเพราะเวลาเดี๋ยวนี้ก็สองภุมบ้ี้ ที่พูดเมื่อกี้เนี่ยว่าคนเกิดมาร้อยปีไม่มีประโยชน์เพราะไม่เห็นอาการเกิดดับบวชมาหลายพรรษาไม่มีประโยชน์เพราะไม่เห็นอาการเกิดดับตรงกันข้ามเกิดมาวันเดียวหรือบวชมาวันเดียวร่วอการเกิดดับอาการเกิดดับไม่ใช่ว่ากรรมอย่างนี้มันเกิดแบรอย่างนี้มันดับอันนี้ก็ไม่ถูกต้องถูกต้องตามคนสมัยที่เขียนขึ้นมาศรัทธาเป็นสัตอันหนึ่งศัจจ์เป็นศัตอันหนึ่งศัตรูธรเป็นสัตอันหนึ่ง ซื้อสัตว์สัตซื้อหรืออะไรอะไรต่งตางๆมีตัวสอตัวอะไร ม, ไมันผมไม่ไม่ไม่รู้อันนี้ผมเรียนกับพวกนี้แหละสอน <c oughs> พวกนี้สอนหนูจําไม่ได้พวกครูบาอาจารย์ที่อยู่นี่เราเคยสอนผมเท่งนั้นเนี่ยผมยกเป็นครูอันนั้นไม่ใด่เป็นเกี่ยวข้องเรื่องนี้ตอนนี้ผมก็เลยมารวบงัดจัดใจคว่ำ ม, มันไม่เกี่ยวข้องเรื่องโกรธโลภโง่ไม่ได้เกี่ยวข้องเรื่องนี้และมันไม่เกี่ยวข้องเรื่องควาสงบอีกแล้วเนี่ยอันนี้เป็นปัญญาของรพระพุทธเจ้าถ้าพุทธเจ้าท่าสอนอย่างนี้ แต่ทำไมรู้พระพเจ้าสมมติพระพระเจ้ามานี่ยเราเห็นพระพเจ้าไหมไม่เห็นเพราะเราไม่มีความความความรู้เหมือนกันกับพระพุทธเจ้าดังนั้นผู้ใดเห็นธรรมจริงจริจรับรองได้คือเห็นตัวเราเห็นเรานี่คือเห็นธรรมผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมบับนี้ตอนอาการเกิดดับนั่งของพูดจากนี้เดียวเราต้องมองความคิดดูไปดูไ ป, ไ, ปไม่ใช่ว่าคาดช่วงกันอย่างนั้น ผมเคยพูดให้เพื่อนฟังบ่อยๆคือมีเสื้อในร่อนเอาไปพูกต้นนั้นหลักนั้นพูกทางนี้หลักนี้มาตัดตรงกลางดึงเข้ากันไม่ถึงเมื่อแก้ทางนั้นมาต่อตรงกลางไม่ถึงต้นนั้นแก้ตรงนี้มาต่อตรงกลางไม่ถึงมันได้แก้ตรงกลางไปดึงสองต้นไม่ถึงตรงกลางอันนี้นักศาสต์ท่านผู้รมาพูดไว้ในอนัญตนะสิบสองแต่ความจริงไม่ใช่เป็นอนัญตนะสิบสองเพราะมันมีอยู่แล้วในกฎของธรรมชาติมันมีอยู่แล้วอันนั้นเรียก ว, ว่ากฎตายตัว ควรศึกษาและปฏิบัติให้รู้จุดนี้และผมเคยเปรียบอีกในหนึ่งเอาสำลีไปซุบไปได่าน้ําสำลีกับน้ํามันจู่มเร็วเราเอาน้ําบีบออกสำลีก็ผงเหมือนเดิมน้ํากับสำลีเป็นคนละเรื่องไม่ใช่อันเดียวกันสังใดสิ่งที่มันมีอยู่แล้วเราไม่สนใจเราไปสนใจสิ่งที่มันไม่มีเราก็เลยไม่รู้สิ่งที่มันมีดังนั้นขอให้ทา่านผู้ฟังทั้งหลายต้องศึกษาหลักพุทธศาสนาให้ถูกตรง จึงจะเป็นเมืองพุทธได้จริงถ้าเราไม่ศึกษาหลักพทธศาสนาจะาเล่าว่าว่าพุทธศาสนาก็จริงจริงโดยสมมุติหนึ่งก็ดีนะจึงว่ามีสม ม, ญญ ม, มุติบัญญัติมีปรมาบัญญัติมีอัถฐบัญญัติมีอริยบัญญัติบัญญัติที่ญญข้อนี้ควรศึกษาให้รู้และควรปฏิบัติให้รู้ แต่ก่อนผมไม่เคยรู้เรื่องสมมุตินี่ผมไม่เคยรู้จริงๆอายุสี่สิบหกปีผมรู้รับรองได้จริงๆเพราะทุกคนมีจิตมีใจเหมือนกันกันกบผมมีตามีมหูเหมือนกันกับผมกินข้าวเดินดินได้เหมือนกันผู้หญิงก็ตามผู้ชายก็ตามเป็นเิกษุสมณ์ก็ตามเป็นคนชาติไหนถือศาสนาไหนก็ตามรับรองรู้ได้จริงๆเรื่องนี้เพราะว่ามันมีอยู่ในแล้วจึงว่าผมตูวเลือกตัวคน พูดให้ตัวคนที่มีปัญญาสามารถผู้ที่มีปัญญาแหลมผมจะเอาไปใช้เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ว่าพูดแล้วพิจารณาไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นที่ผมพูดนี้ความโกรธความโลภคมหลงไม่มีนับรองไม่มีจริงๆถ้ามีท่านโกรธ ด, ดูที่มันโกรธไม่ได้เพราะไหนไม่มีในขณะมันโกรธขึ้นมาเพราะเรื่องอะไรเพราะเราไม่เห็นต้นตอของผมคิดมันก็เลยตกหน้าเอาเสียเนี่ยนั่นเป็นอย่างนั้น เพราะท่านหลงหลงเรือโมหะโมหะเกิดขึ้นแล้วโลภะก็เอาซะโทสะก็เอาซะตามตัวนั้นคือว่าเป็นรากเหง้าของอกุศลคือโทสะโมหะโลภะทำไมบัด น, นี้ตรงกันข้ามอะโทสะอะโมหะอะโลภะคือเราเห็นแล้วมันจะเกิดขึ้นไม่ได้ เราเห็นเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้อันนี้เราสิ้นจึงเป็นเครื่องกําจัดกิเลสอย่างหยาบถ้าเรามีสิ่งเรสิ่งเราี่ไม่ปารากฏก็บังคาดช่วงอยู่แล้วเนี่ยสมาธิเป็นเครื่องกําจัดกิเลสอย่างกลางถ้าเรามีสมาธิคอยบูต้นตอยเห็นคนามสงบจริงจรเราไม่ต้องไปนั่งทําความสงบคนไปนั่งทําความสงบนั่นหมายถึงบุคคลไม่รู้คือไปทําเอาน้ําแข็งขึ้นมาให้เป็นน้ําแข็งความจริงน้ําแข็งนั้นมั น, ม, น ม, มันไม่ใช่เป็นธรรมชาติ เอาวิทยาศาสตร์มาทำแล้วน้ำแข็งไปกินมันก็เย็นพอดีตกไปท้องล้ามันก็เกิดผมร้อนขึ้นมาเอาน้ำแข็งก้อนบนเลื่ไปตั้งไว้ปากแดดตักลมแล้วลมแดบดบทัดก็น้ำแข็งก็ละลายเป็นนา้าเลยฉะนั้นสมเทศแบบนั้นควรสงบอย่างนั้นไม่ใช่เป็นหลักพุทธศาสนารับรองได้อันนี้จริงๆให้เจ้าพุยักนกตว่าต่อเสียไนใดก็เหล่าเสือพระพุทธเจ้านี่แหละต่ว่าหนักพระพุทธเจ้ายอมเสียตลอดชีวิตจริงๆตัวปัญญา คือรูจากสมุทฐานมันขาดกันแล้วเราจะไปทําอะไรก็มันขาดกันอยู่แต่นานแล้วเลยนี้มันไม่ใช่ว่ามั น, มนยัง ม, มีเดียวนี้แต่มันไม่มีอยู่แล้วเราไปสร้างให้มีขึ้นมาคือเราไม่มีปัญญานั่นเองไม่ต้องพูดละสุตะไมยะปัญญาจินตะไมยปัญญาภาวนาไม่จำไม่ต้องพูดก็ได้รับรองได้เรื่องนี้เพราะความจริงมีอยู่แล้วครูบาอาจารย์สอนหลักษณะคนมีปัญญาต้องพูดอีกอย่างหนึ่ง คนมีปัญญาน้อยพูดมาเองนี่คนมีปัญญาน้าทุ่นยิ่งมันมากเหมือนกับใบไม้ในป่าพวกเรามาที่นี่เท่าไหร่ตัวห้าร้อยคนนีห้าร้อยห้าร้อยคนผมเข้าใจว่าพูกมาที่นี่จํานวนห้าร้อคนผมเข้าใจว่าเข้าใจในคำพูดนี้อย่างน้อยต้องร้อยคนนี่ผมเข้าใจอย่างนั้น ตอนไหนเขาก็จะจ้าการแสดงทําให้พวกปัญจ้าวิชีต่างห้าเข้าใจคนเดียวขพรห้าคนฟังอันนี้ห้าร้อยคนจะไม่ได้ไม่ได้ถึงร้อยคนหรืออู้มก็เต็นทีแต่ห้าร้อยคนก็ต้องได้ร้อยคนสมัยนั้นนะ่ะห้าคนได้คนเดียวเนี่ยอันนี้ห้าร้อยคนต้องได้ร้อยคนเนี่ยรับรองจริงๆเรื่องนี้นี่แหละผู้คนจริงไปลว่าวุมจริงมันเป็นขุมไม่ตาย อันมันตายแนละ้วมันไม่รู้ของจริงไปพูก็นเทั้งวันทั้งคืนมันก็เหนื่อยเมื่อนะคนที่ฟังจนจะตายแล้วเจ็บแขงเจ็บขาฟังไปยุทั้งวันทั้งคืนโอ้โหมันก็เต็มทีคนที่พูดกับคนที่ฟังมันมีค่าเท่ากันเนี<ม>่ยดังนั้นผมเราหมานี่ก็รู้สึกว่าเอาแต่คําที่ว่าผมกล้าได้มารับรองและมาปล่อยเพื่อนเท็กซุตสมาเนนแม่ครวญญาจงที่เดินทางมาที่ธรรมสถานมหาจุฬาลงกรณ์นเนี่ย มหาวิหายจุฬาลงกรณ์มาเผยแผ่ธรรมะคำสอนของพระบดิดาเาเราต้องตั้งรับรองได้ต้องปฏิบัติให้มันได้จริงๆเราจึงเป็นลูกปรถามดได้จริงถ้าหากว่าเราไม่รับรองได้มันก็เป็นลูกศิษย์ไม่ไ ด, เไ ด, เเาาเด้เราต้องรับรองได้พ่อเราแม่เรามื่ปู่ย่าตายายของเราพูดแล้วเราต้องเชื่อฟังเรื่องศีลเรื่องศาสนาศาสนาผี ศาสนาพาหมาณ์ศาสนาเทวดาพุทธศาสนาบัดนี้เราไม่ต้องการศึกษาศาสนาถีไม่ต้องการศึกษาศาสนาพาหมไม่ต้องการศึกษาศาสนาเทวดาอันนั้นไม่มีมาก่อนเราต้องการมาศึกษาหลักพุทธศาสนาจริงๆให้รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงจึงเป็นผู้ที่ได้ยกระดับจิตไปสู่ภาวะ ที่มันมีจริงนั้นดังที่พระพุทธเจ้าท่านสอนอะไสัจจะแล้วของจริงไม่เปลี่ยนแปลงไม่แปรผันสิ่งที่เปลี่ยนแปลงแปรผันนั้นไม่เป็นขุมจริงอันนั้นผิดปกติเอาแหละท้ายที่สุดนี่ผมได้นำเอาสัจจะได้ขุมจริงเกิดขึ้นมาภายในจิตใจของผมผมนํามาเล่านี่คนมีปัญญาฟังแล้วรู้ เว้นแต่คนที่ยังไม่มีปัญญาพอก็เป็นธรรมดาขอให้ทุกท่านทุกคนที่มีชีวิตจิตใจอยู่ในขณะนี้จงพยายามดูความคิดอย่าไปดูลมหายใจถ้าไปดูลมหายใจไม่รู้ความคิดมันจะไปติดความสงบถ้าดูความคิดดูลมหายใจได้แต่ดูความคิดให้มากอย่าไปดูลมหายใจมากถ้าดูลมหายใจมากไปดูความคิดน้อยมันจะไปติดความสงบมันจะไม่รู้ความคิด พอดีมันคิดเข้าไปมันจะเข้าไปในความคิดเหมือนกับอยู่ในถ้าขอให้เราทุท่านทุกคนออกจากถ้ามาอยู่ที่สว่างสว่างคือที่ไม่มีความโกรธไม่มีความโลภไม่มีความหลงให้เราเห็นสภาพหรือภาวะของชีวิตจิตใจของเราที่มันสะอาดที่มันสว่างที่มันสงบ